จะเป็นเหตุของพรือหักหรือบรรพชิตก็มุ่งมั่นอย่างนั้นจึงได้มาสู่จุดอันนี้เมื่อมาถึงแล้วจิตใจของเราควรแล้วหรือที่จะปล่อยให้ฝูงกลุงไปตามสัญญาอาดีตหรืออนาคตเราจะต้องฝึกกำหนดให้อยู่ให้สงบมวยอุบายปัญญา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 ไม่ว่าแต่คนตลอดถึงสับมันชอบสุขชอบสบายเมื่อเราเห็นความสุขความสบายจิตใจขาดจากมีวานทั้งห้าสงบระ ง, งับจากกิเลสตัณหาระยะสั้นก่อตามเราก็เห็นอา น, นิสง์ว่าการฝึกของเรานี้มีอา น, นิสง์อย่างนี้ความสงบของจิตนี้ เป็นของดีวิเศษอย่างนี้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากจะทำเชื่อมัน่นมีศรัทธาปาษสาทะเต็มในหัวใจถึงจะฝึกไม่ได้อย่างเดิมก็ตามความเชื่อมั่นนั้นจะไม่มีการถอดถอนเพราะเคยเห็นเคยเป็นอยู่แล้วอยากจะกระทำบ่อยอยากจะฝึกบ่อยนี่ศรัทธาเบื้องต้นที่จะเชื่อมัน่นถึงเหตุถึงผล เพราะจิตของตนได้รับสัมผัสในอาจทำทางปฏิบัติไม่เช่นนั้นจิตจะไม่ตั้งมั่นไม่แน่นอนจึงควรฝึกควรสอนตัวเองทำจริงผลจริงจะเกิดขึ้นยังขั้นสงบระ ง, งับดับจิตเลสตัญหาชั่วระยะเวลานิดหน่อยเท่านั้น ก็เชื่อมั่นได้เป็นศรัทธาที่แน่นหนาฝาข้่งไม่วันไว้วอกแวกไปตามสัญญาอารมณ์อย่างไหนได้เหมือนเก่ากกอนเพราะจิตมีหลากฐานอย่างลึกลงไปจะถอดถอนขึ้นถอดถอนยากเพราะมันเห็นมันเป็นมันรู้จากตัวเองความเชื่อมั่นในการตระเพืปฏิบัติ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 ถ้จิตไม่ได้สัมผัสในอาจทำด้วยตนเองไม่ได้ฝึกจิตรูปเห็นเด่นชัดมันเป็นสัญญาไม่เป็นปัญญาไม่สามารถที่จะตัดความช่วงไสของใจให้ขาดออกไปได้ทั้งที่พูดได้แต่ใจไม่เป็นจึงควรฝึคกควรอบรมตัวเองให้รู้ให้เห็นอย่าไปเชื่อตามตำหรับตำลาถ่ายเดียว อย่าไปเอากิเลสตันหามานตทิจิตของตนเข้าไปขวางถ่ายเดียวว่าไม่ตสำหรับตำราไม่ถูกถ้าหากจิตของเราฝึกได้อบรมได้รู้เห็นเป็นขึ้นตำราทุกบททุกบาทที่ท่านบัญญัติเอาไว้เป็นของจริงเพราะจิต ข, ของเราจริงถ้าหากเราไม่เห็นไม่เป็น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 ในจิตในใจจะไม่มีวันเวลาที่จะแก้ไขได้ถึงสอนคนอื่นพูดให้คนอื่นฟังอย่างไรก็าตามอธิบายไปได้แยบคายขนาดไหนก็าตามความสงสัยภายในใจความไม่ได้รับสัมผับจากอัตชันภายในใจนั้นพาทราบได้จากตัวเองเพราะไม่มีอะไรเป็นเกือกรับในโลกของรับไม่มี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 ถือเป็นเรื่องพอใจถือเป็นเรื่องดิบเรื่องดีแต่อาจทําจริงจงัไม่มีในใจตัวของคนคนนั้นทราบ ด, ดีทาบจากความเป็นของตัวเองแต่ไม่บอกคนอื่นเพราะกลัวจะเสียเ่หลี่ยมอย่างนั้นอย่างนี้วเวลาวดมาระยะนานปีเขานับหน้าถือตาว่าเป็นกรรมาฐานเป็นครูบาอาจารย์ที่สําคัญก็เลยเบ่งได้ทําท่า แต่ถึงจกขนาดไหนก็ตามผู้รู้ทั่วไปที่มีความเห็นความเป็นภายในใจภาพได้วลาคนนั้นได้จากตำรับตำราได้จากสัญญามาสอนไม่ใช่ได้จากการประพฤติปฏิบัติถึงจะเทศแนะนำพร่ำสอนในการปฏิบัติก็ไม่เข้าถึงขั้นที่ ฝึกฝึกอบรมรู้เห็นเป็นจริงแล้วถึงใจของคนคนนั้นเพราะใจของท่านผูดเทศไม่เคยเห็นเคยเป็นยงจำ ม, มาเพราะจะเข้าได้เข้าเข้มจริงจังก็หลุดไปเสียจุดที่เรารู้เราเห็นเราข่อยใจนั้นผู้ได้จากจำหลับจำราหรือมุ่งหน้าจะสอนคนอื่นแต่ตัวไม่เป็นนั้นผู้ประพฤติปฏิบัต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 ปฏิปทานทั้งสี่สมบูรณ์อริยศาสตร์ทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันก็สมบูมรณ์อีกเหมือนกันแต่้วยส่วนใหญ่มันสมบูรณ์อยู่สองอย่างที่เรายังไม่เคยปฏิบัติคือทุกและสมุทยัยสิ่งผิดทุกในแก่กใจแ่ใจทองตัวอันนี้มีสมบูรณ์บริบูรณ์ นี้โลดความดับทุกข์เป็นอย่างไรเพราะยังไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติหรือตั้งใจปฏิบัติแต่ยังไม่เห็นไม่เป็นกว่ายังสงสัยเมื่อเห็นเมื่อเป็นภายในใจของตนด้วยการปฏิบัติถูกเดินมรรคถูกเดินทางถูกทุกขี่ควันกาหนดรู้กําหนดรู้เข้าใจชัดเจนสมุ ท, สทัยความสุ่ง ตรุงของใจที่ก่อควนตัวเองให้เกิดทุกข์วรละละได้จริงขพอจิตสงบขพราจิตละงับไม่ได้ติดได้ข้องได้ยึดได้ถือได้แบกบได้หามมันปล่อยมันวางทุกสิ่งทุกอย่างไปนี่คือใจสงบเพียงแค่นี้ มันก็ได้ชื่อว่านิโรธแต่ไม่ใช่นิโรธที่เป็นนิดเป็นสมมุติเศษเป็นนิโรธระงับดับทุกข์ให้เห็นในการสะพฤ้นปฏิบัติหรือเรารู้เราเห็นเด่นชัดว่านี่นิโรธที่ไม่มีการกลับปอกปลอกล้อนอีกจิตของเราก็รู้ก็ทราบตามขั้นตามรายะจนหายสงสัยไม่มีอะไร ที่จะนาปิดบังก่อควรจิตใจนี่ก็เกิดจากการประพฤติปฏิบัติอริยสัจทั้งสี่มีสมมูล์ไม่ว่านักบวชหรือคารวาจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนผู้ต้องการมรรคผลต้องการความสุขจะประพฤติปฏิบัติอย่าไปอ่างการอ่างเวลาโดยส่วนใหญ่มันเป็นเราตามจิ่เรศตัญหาตาม เรื่องสังขารามานมาระยะยาวนานเลยไม่ทันในเรื่องของมันสักทีอยู่นี้ว่าอยู่นู้นไปนั่นเสียก่อนจึงจะตั้งหน้าตั้งตาถูกรักษณะก็พึ่งปฏิบัติเอาจริงเอาจังพอไปถึงนั้นมันไปอีกแล้วตอนอยู่นู้นที่เราจะเอาจริงเอาจังไปอยู่ที่ไหนก็กลุงไปขังหน้า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 เราเคยติดตามหรือทามาแบบนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นให้เราอยู่ที่ไหนเราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติที่นั่นจะเอาจิงเอาจางังให้เห็นให้สุขให้สบายให้สงบเราจะไม่เชื่อเรื่องความปรุงความคิดเรื่องทั้งขานขังจิตที่เป็นมาลหลอกลวงตัวของเรามา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 เพราะมันมีอยู่ในตัวของตัวตัวไปสถานที่ใดมันก็สิตไปด้วยผู้ที่เห็นที่เป็นที่รู้ที่เข้าใจอย่างนี้ท่านจึงเสียกว่าสุขคัตโตอยู่สถานที่ใดมีความสุขไปสถานที่ใดมีความสุขไม่ว่าสุขตั้งแต่ตัวของท่านคนอื่นตลอดสัต์ก็มีสุขไปด้วยเพราะท่านไม่เป็น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 ท่นเดพิจารยนาฝึกอบรมสอนจนจนเห็นผลคือความผนจากทุกผนจากโทษผนจากสมุิจิตใจของทางตายเป็นวิมุตติบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่ทุกระยะเวลาดับสนิทในเรื่องของกิเลสตัณหาไม่ได้รบ ก, กวนวุ่นวายติดข้องจะไปหาสถานที่ใดนิพพานจะปรารถนาอะไรอีกนิพพานก็ไม่ปรารถนาะ เพเหตุได้เขายังปรารถนาอยู่ก็ยังไม่รู้เรื่องของพระนิพพานจะมีอะไรอยากจะมีอะไรปรารถนาจะมีอะไรต้องการภายในความบริสุทธินั้นมันหมดทุกอย่างไปสมมติที่ว่านิพพานก็เพียงสมมติต่างหากความเห็นความเป็นที่เรียกว่านิพพานนั้นคืออะไรถ้าหากเรายังไม่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 ก็ไม่มีการงานอะไรเรามารักษากายรักษาใจคมจีจิเลสเรามาประพฤตปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเราได้รับความสงบสงัดได้รับความสุขในใช่มาบวชเปลี่ยนเพศเป็นพระเป็นเนนเท่านั้นหาทุกท่านสอนตัวและฝึก อบรวมตัวของตัวละชั่วบำเพ็ญดีถูกต้องตามหลักของศีลสมาธิปัญญาทุกคนจะมีความสุขความเยอกเย็นเป็นสาระของโลกได้เป็นเนื้อนาบุญของโลกได้ตัวเองไม่ตานณ์ตัวเองคนอื่นที่รู้ที่เข้าใจก็ตัตนิ์ไม่ได้เพราะกายวาจาใจบริสุทธ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 เหมือน ก, นกันกับทานอาหารคนอื่นจะทานแทนกันใหม่ด้ถึงจะเฝ้าภาชนะอาหารอยู่ถ้าเราไม่ทานก็ไม่มีการอิ่มขึ้นนี่แต่จะหิวโหวยอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปจนผลที่สุดคนที่ไม่ยอมทานเฉยเลยก็อาจล่มหายตายไปเพราะไม่ยอมทานทั้นใดการ มาบวชหรือการมาฝึกภาวนาการมาอยู่กับหมู่คณะปลูกประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ทําไม่ฝึกไม่ปฏิบัติตัวเองคนอื่นท่านรู้ท่านเข้าใจท่านสุขท่านสบายอย่างไรจะไม่มีผลอะไรมาสู่ตัวของเราตัวของเราเคยมีจิตเดชตัณหามาณทิชฌ์อย่างไรจิตเดชตัณหามานณทิชฌ์อย่นั้นจะไม่ตกไป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 ไม่เสียใจให้ตัวว่าวันเวลาผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือการถุกการปฏิบัติกายใจขอปพวกเราแต่นั้นขอทุกท่านจงหมั่นพินิจพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาศึกษาอบรมแนะสอนตัวเองฝึกหัดกายวาจาจิตอย่าลุ่มหลงเพลิดเพลินออกจากวง ของศาสนาคือธรรมะที่พระพุทธเจา้าสอนถ้าห่วงโลกกินดีโลกเพิดเพลินอยู่ในโลกธรรมะจะไม่เกิดขึ้นจะไม่เป็นขึ้นระยะเวลาที่จิตของเรายังไม่มีสมาธิอย่าปล่อยจิตจิตตรงไปขังหนอกให้มากแทนที่จะเกิดปัญญาละกิเลสจิตจะเศร้าหมองขุนมัว เกล่อนกั่วกับจินเละทำให้ตัวเองเดือดร้อนวุ่นวายเป็นทุกข์เราจึงควรจงวนควรรักษาทำจิตให้เป็นสมาธิลงรวมหนักแน่มั่นคงเสียก่อนปัญญาระยะที่มีสมาธิแล้วเราคิดตรุงไปอะไรแทนที่จะไปติดข้องในใจเหมือนก่อน มันเป็นจริงที่ถอดถอนเห็นจริงไปจากในสิ่งนั้นนนั้ละไปได้มันไม่ติดไม่ขอ้อเหมือนจิตใจที่ขาดปัญญาสมาธิระยะนั้นท่านจึงเรียกว่าวิปัสนาคือใจมีพื้นฐานของสมาธิท่านคิดเพื่อแก้เพื่อไขท่านคิดเพื่อหากำไรจากการคิดการปรุงไม่เหมือน จิตที่ไม่มีสมาธิคิดไปเท่าไรนับวันที่จะฝอกนับวันที่จะเสียนับวันที่จะหลงนับวันที่จะติดจะค้อนี่คือจิตในขั้นที่ยังไม่มีสมาธิท่าจริงให้ฝึกจิตให้มีสมาธิจึงจะเกิดปัญญาปัญญานั้นก็เป็นมรรคทางดำเนินในใช่ความบริสุทธิ์ยังเป็นทางอยู่มันยังคิดยังปรุงยัง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 ทำเป็นเอกไม่มีอะไรไมาเกี่ยวข้องอีกพุทธโธเต็มดวงเต็มที่ก็ถูกแต่ว่าความบริสุทธิ์หรือวิสุทธิธรรมมันก็ถูกถ้ามันเป็นถ้ามันไม่เป็นเจาว่าจนแจวหูคนอื่นแตกหรือป่าตัวเองฉีดมันก็ไม่เป็นจึงควรฝึกควรอบรมควรแนะนตัวเองการฝึกจิตมันฝึกได้ ท่านเห็นท่านเป็นท่านรู้ท่านก็ฝึกมาลำบากยากเย็นเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเหมือนกันกับเราแต่ท่านทําไมท่านจึงฝึกได้ก็เพราะท่านเอาใจใส่ท่านต้องการความสุขความสบายภายในใจจริงจังเราจะมาทําเล่นๆให้จีนเนี่ยทัวเลาะมันไม่สมควรแก่นักบวชไม่สมควรแก่ที่ประจิญญาตนว่า ถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์พยายามสอนตนอบรมตนฝึกสอนอยู่บ่อยๆอย่อยาปล่อยให้หาดสติหาดปัญญาไปเกี่ยวข้องในอารมณ์ถึงเป็นกินลเลสตัณหาระลึกอยู่สม่ำเสมอว่าเราเป็นสมณะผู้สงบจากชั่วจากกรรม พยายามทำาในลถละความสุขถึงเราปาฏนากว่าจะเกิดขึ้นการที่บายทำกวเห็นว่ะพว่สู้กวรเจรเวราพยติเพียงแค่นี้เอวัง